นอบน้อมต่อคุณพระตนาไตยโอกาสพระอาจารย์ยุกิเพื่อนสัตมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านการที่เรามาศึกษาพุทธศาสนาเนี่เนาะเราจะเห็นคำสอนของพระเจ้านะมีมากมายนะแล้ามีถึง8 4 0 0มื่นสร่พันมธขันธรรนนะ์พระไตรปิฎกก็มีมากมายใช่มนะคำพีต่างๆก็มีมากนะ ครั้นะี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระพุฒนาเนี่มีจุดมุ่งหมายอย่างไรเนาะครันนี้ก็จะบอกนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพระพุฒนานี่คือมีจุดหมายอย่างไรนะเราจะได้ง่ายขึ้นนะจุดหมายก็คือมีสองอย่างเท่านั้นนะัก็คือให้เราเห็นทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขนะ์เท่านี้เองเนาะมันไม่ได้มีเยอะไปแบบนี้เลย นะเพราะนั้นประการแรกในเราเห็นทุกหรื อ, อยังนะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราเห็นทุกไหมใช่ไหมเราเรามาปฏิบัติเพราะเหตุใดใช่ไหมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมพ่อเห็นทุกนี่ชื่อว่าเราเข้าถึงพุทนานในระดับหนึ่งแล้วนะนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เขาไม่เห็นทุกเนี่ยก็มีอยู่เยอะใช่ไหมนะตรงนี้ว่าเราเห็นทุกไหมนะก็เคยชวนคนใหมาปฏิบัติธรรมเ <คน S 2> ขาก็ถามว่ามาปฏิบัติไปทําไม หรืว่าเปิดบัตรแล้วทุก็จะน้อยลงนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความทุกข์อะไรเลยเพราะฉนั้นเขากเ็เลยไม่มาปฏิบัติธรรมเนาะนี่แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมนะความทุกข์นี่เราจะต้องมองเห็นกันนะไม่งั้นเราเราจะไม่รู้ว่าเรามีความทุกข์แล้วเราก็จะไม่หาทางพ้นทุกข์นี่คือเป็นประเด็นแรกใช่ไหมครนี้ความทุกข์นี่มีอะไรบ้างนะบางทีเราเคยสวดมนต์ธรรมัดเช้าเนี่ยเราก็อาจจะสวดปนอยู่บ่อยๆนะ ชาติปิทุกขาคือความเกิดนี่แหละเป็นความทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นความทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นความทุกข์โศกปริเทวทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุกขาความโศกความรําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ การพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันทั้ง5คือคือตัวทุกข์แน่นอนนี่คือความทุกข์ที่เราหลีกไม่พ้นนะคือความทุกข์ประจำสังขารคือความที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนีเราหนีไม่พ้นแน่นอนเราความทุกข์ที่จรมาอีกมากมายนะอย่างที่ประสบความสิ่งที่เราไม่รัก นะสิ่งที่เราพัดพาจากของที่เรารักเนี่ยแหละปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะนี่คือทุกข์ที่จรเข้ามาต่างหากหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นทุกข์ไหมใช่ไหมเราเรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามีความปวดเมื่อยนี่แหละคือความทุกข์เนาะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอ า, อาจจะง่วงก็มีนะนี่ก็คือความทุกข์นะหรือบางท่านอาจจะหิวนะก็คือความทุกข์ นะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าร้อนๆนะก็คือความทุกข์ใช่ไหม น, ะ น, นี่นี่ก็คือสิ่งเราต้องมองเห็นนะแม้กระเราก็จะมองไม่เห็นทุกข์แต่เราเมื่อเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราทําสิ่งต่างๆเพื่อแก้ทุกข์น ะ, ะเดี๋ยวเราเลิกจากนี้เราก็ไปเข้าห้องน้ําใช่มไหมเป็นการแก้ทุกขนะ์เปลี่ยนระบท <c oughs> จากการนั่งเป็นเดินนะเป็นการแก้ทุกข์น ะ, ะเพราะนั้นมันจะมีการแก้ทุกข์อยู่เรื่อยๆนะ คือคนเรานี่มันต้องมีการแก้ทุกข์อยู่เสมอนะเราจะไม่เคยอยู่อะไรที่มันทรงตัวนานๆ น, น, นะแม้แต่การนอนเป็นความสุขแต่เราก็ต้องเปลี่ยนมานะาให้นอน20ชั่วโมงแล้วก็ทนไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องตื่นขึ้นมามาทําอย่างอื่นใช่ไหมมันไม่มีสิ่งใดที่เราจะทนในสภาวะเดิมได้แน่นอนนั่นนี่แหละคือความทุกข์ละใช่ไหมเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ทางกายเป็นการแก้เป็นการแค่เราบรรเทาเท่านั้นเองนะเราจะไปแก้เขาเด็ดขาดไม่ได้ เ, เช่นเราหิวเราไปทานอาหารเนาะ อะปรเดี๋ยก็ต้องหิวใหม่นะเราง่วงเราเป็นนอนนะตื่นมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปง่วงใหม่ก็ต้องไปนอนใหม่ใช่ไหมเราปวดเมื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนนะจากเดินเป็นนั่งจากนั่งเป็นเดินนี่แหละมันก็เป็นปรีบเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามันแก้ได้ถาวร น, นะเพราะฉะนั้นความทุกข์ในทางกายนี่แหละมันเป็นสิ่งเราแก้ไขก็มไม่ได้นะความทุกข์อีกตัวหนึ่งก็คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่เป็นความทุกข์ที่ร้ายแรงกว่าความทุกข์ทางกาย นะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้นะเป็นความเรียกว่านะเป็นสิ่งที่มีความทุกข์มากกว่านะเราได้ข่าวนะบ่อยๆนะบางทีกนะ็โดนแฟนทิ้งบ้างใช่ไหมนะประสบกับเช่นบางคนเป็นนักธุรกิจก็นะธุรกิจก็ขาดทุนต้องเยอะแยะนะแต่ก็ยังมีเงินอยู่เยอะก็ทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายนะสามีทิ้งภรรยาทิ้งต่างๆแล้วเนี่ยใช่ไหมเราเคยฟังข่าว บ, บ่อยๆใช่ไหมนะ เนี่ยสิ่งเราเนี่ยเป็นเหตุอย่างหนึ่งว่าเออความทุกข์ทางใจเนี่ยมั น, มนแรงมากนะบางคนถึงเรียกว่ า, ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะต่างๆเราเนี่ยมันร้ายแรงมากใช่ไหมแต่ความทุกข์ทางใจนี่นะถึงแม้ว่าจะมีความร้ายแรงแต่ว่าสามารถที่จะแก้ขไขได้ได้อย่างเด็ดขาดนะคือสามารถที่จะให้ก็หมดไปได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยตรงนี้นะเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะเพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราเอามีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้มาแก้ทุกข์ทางกาย แต่มาแก้ทุกทังใจนะเปรียบเสมือนกับว่าคนเรานะบางทีคนเราเนี่ยเราจะรู้สึกเราไม่ได้ป่วยไข้อะไรนะร่างกายเราก็แข็งแรงดีใช่ไหมแต่ว่าเรานะป่วยป่วยไข้ทุกคนพวกเราเนี่ยเป็นคนป่วยนะป่วยทุกคนไม่มีใครไม่ป่วยนะป่วยอะไรป่วยด้วยการที่เรามีกิเลสตัณหานี่แหละเป็นคนป่วยนะป่วยด้วยความ <c oughs> ป่วยด้วยความโลภความโกรธความหลงป่วยด้วยราคะโทสะโมหะใช่ไหมป่วยด้วย อวิชาตันหาประทานเนี่ยเรานี่คือกิเลส ท, ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพวกนี้ก็นำความทุกข์มาให้เรานี่แหละเป็นการที่เราป่วยนะคราวนี้หมอจะมารักษาเราก็มีไม่ใช่ไม่มีนะหมอจะมารักษาเราก็คือพระเจ้านั่นแหละนะพระเจ้านี่เป็นหมอเป็นหมอใหญ่นะแล้ท่านก็ให้ยาเรามานะยาคืออะไรยาก็คือธรรมะนั่นะแหะอยู่ที่ว่าเราจะรับประทานหมใช่ ถ้าเราเราไม่ทานนะเราก็ไม่หายแน่นอนนะเราจะให้คนอื่นทานแทนก็ไม่ได้ด้วยเราก็ต้องมีหน้าที่เป็นคนทานยาเองนะนง เ, ออเนี่ยจึงว่าเออเนี่ยเราเราในเมื่อเรามีหมอแล้วคือพระเจ้าแล้วแล้วท่านก็ให้ยาเรามาด้วยเนะี่ยแล้วเราก็เป็นคนป่วยด้วยเนะี่ยอยู่ที่ว่ารเราจะรับประทานยาหรือไม่รับประทานยาเท่านั้นเองนะถ้าเรารับประทานยาตามที่พระเจ้าให้มานะเราจะเป็นคนหายป่วยนะก็คือเนะี่ย ถึงความสิ้นทุกได้นะคื อ, อใจเราหมดความทุกนะก็คือทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกนี่แหละแต่มันนี่แหละคือหายป่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายก็คือให้เราทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกนะหรือว่าไปบัติเพื่อความพ้นทุกนี่ให้ได้เท่านั้นเองนะเราก็จะพ้นทุกได้แล้วนี่แหละคือพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราป่วยนะนะเราก็ต้อง รักษาตั ว, วเองนอกจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเขาก็จะไม่มีการรักษานะก็คือไม่รู้จักทุกขนั่นเองนะคนที่ไม่รู้จักทุกนั่นแหละคือไม่รู้ตัวเองกาลังป่วยใช่ไหมครา้นี้การรักษาทําอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ให้ยาขนานหนึ่งนะบอกว่าเป็นยาทางเอกนะเป็นยาที่เรียก ว, ว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามนี้ก็สามารถพ้นทุกได้นะก็คือสติฐานสี่นะที่มาเช่าเราสวดไปแล้วนะ สติปัฏฐานสีก็มีกายเวทนาจิตธรรมนีก็คือให้เรามาเรียนรู้ใ น, ในเรื่องกายก็คือกายเรานี่แหละเรียนรู้เรื่องกายเวทนานะเรื่องจิตแล้วก็เรื่องธรรมนะครนีน้เรื่องกายนี่มีอะไรบ้างเนาะพระเจ้าก็เริ่มต้นด้วยให้เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะาหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าหายใจอย่างไรนะหายใจสั้นๆหรือหายใจยาวๆหรือหายใจออกสั้นๆหรือหายใจออกยาวๆแต่พระเจ้าให้เรารู้ตามความเป็นจริงนะความจริงที่เกิดขึ้นทางลมหายใจนี่แหละไม่ต้องไปปรุงแต่งต้องเป็นไปอย่างนู่นแบบนี้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงที่ลมหายใจก็เป็นตอนนี้เขาเรียกว่าอานาปานสตินะเพื่อให้เกิดสติ รู้กายนะลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งเนาะอันนี้จิตต้องมีความละเอียดเพียงพอนะเราจรึงจะรู้แบบสบายๆรู้ ล, ลมหายใจสบายนะแต่ถ้าจิตเราไม่ละเอียดเพียงพอเดี๋ยวลมหายใจก็จะเราจะรู้ไม่ถนัดเนาะอาจจะเกิดการมึนหัวขึ้นมาพอเราไปคอยเพ่งคอยจ้องไปคอยสังเกตพอไปคอยสังเกตปุ๊บเขาก็จะไม่เป็นปกติไม่เป็นธรรมดานะเขจะผิดปกติไปเนี่ยเข้าใจไบางคนก็เลยปฏิบัติยาก <c oughs> คราวนี้ปฏิบัติยากแล้วทําอย่างไร พระเจ้าก็ให้กรรมฐานต่อมาจะได้ง่ายขึ้นนะก็คือให้รู้ในบทใหญ่นะคือการยืนเดินนั่งนอนนะก็คือยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนะก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะขณะนี้เรานั่งเรารู้ไหมว่ากําลังนั่งใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ากำลังนั่งนี่จบแล้วนะปฏิบัติทําจบแล้วเพราะนั่งเรารู้ว่าเรานั่งใช่ไหมเราเดินเรารู้ไหมว่าเรากาลังเดินใช่ไหมนี่ปฏิบัติทําจบแล้วนะ นะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เดินอย่างไรนะเดินช้าช้าหรือเดินเร็วเร็วหรือเดินอะไรเดินอย่างไรแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะกําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกำลังนอนเรารู้ไปแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปดัดแปลงเขานรู้ไปตามความเป็นจริงใช่ไหมเนะ <c oughs> นะีเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ในทางกายเนี่ยเราเราแค่รู้ขนาดนี้กําลังนั่งเนี่ยถือปฏิบัติธรรมจบแล้วนะนะนะีมันเป็นสิ่งง่ายๆแค่นี้เองนะต่อมาก็สำเยนท่าแบบสำมาชัญญาปัฏะ ก็ให้เรารู้ในบทย่อยทั้งหลายแหล่นะเดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแหลขวาก้มเงยเหยียดแขนเหยียดแขนคู่แขนทรงจีวรสังฆาติเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะดื่มกินพูดคิดต่างต่างเหล่านี้คือบทย่อยทั้งหลายแหล่นะคืออาการที่เราเคยกระทำในชีวิตประจวันนี่แหละ เช่นการซักผ้าแปลงฟันอาบน้ำใช่ไหมถูบ้านต่างๆเหล่านี้แนหะคือให้รู้ไปตามความเป็นจริงนะว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่นะตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าบางทีเราฟังแล้วง่ายนะแต่จริงๆเราไ ม, ไม่เคยรู้มาก่อนหรอกตรงนี้นะถ้าเราไม่เคยฝึกเราจะไม่รู้นะคือจริงๆแล้ว เ, เราเคยทํามาตลอดชีวิตแล้วนะเช่นะเราแปลงฟันเราก็แปลงฟันทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่ขณะเราแปลงฟันนี่เราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังแปลงฟันอยู่นะ เราแปลงฟันแล้วก็หลงไปนะคือการแปลงฟันเป็นการแปลงโดยอัตโ น, ตโนมัตนะิเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราต้องรู้ขณะแปลงฟันเลยเพราะมันแปลงฟันโดยความเคยชินได้อยู่แล้วเพราะนั้นะมเป็นความเคยชินไปแล้วนี่แหละอันนี้ก็แล้วเราหลงไปแล้วนะหลงไปคือสิ่งใดที่เราทำด้วยความเคยชินมันจะเป็นการหลงไปมันไม่มีความตั้งใจในการกระทำในตรงนั้นใช่ไหมนะหรือเรากวาดบ้านเหมือนกันนะเราก็เคยกวานอยม่ในจมอยู่แล้วนะ แต่เราไม่รู้ขนาดนี้กำลังทำอะไรอยู่นะถ้าไม่รู้ขนาดนี้กำลังทำอะไรอยู่เป็นการทำํำในความเคยชินมันก็คือหลงไปทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราหลงไปนั่นแหละมันก็คือการที่เราไม่รู้นะขนาดนี้เราจะทำอย่างไรก็คือกลับมารู้ว่าขนาดนี้กำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะถ้าบางท่านตอนนี้กาลังนั่งยกมือใช่ไหมรู้ไหมว่าขนานี้กำลังนั่งยกมือนะกาลังนั่งสร้างอยงว่าใช่ ถ้าเรายกมือแล้วนะแต่เราคิดไปในเรื่องอื่นนะคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงเพื่อนนะอันนี้ที่ว่าเรายกมือแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากําลังยกนี่แหละอันนี้ก็ชื่อว่าหลงไปนะแต่ถ้าใครตอนนี้นั่งเฉยนะแต่ว่ารู้ว่าขณะนี้กําลังนั่งนะอันนี้ชื่อว่าเราอ่ารู้รู้แล้วนะถือว่าเรารู้แล้วนั Gang, ่นมันจะต่างกันนะคนยกมือกับไม่รู้แต่คนนั่งเฉยกับรู้เพราะว่ารู้อะไรรู้นะว่าในขณะปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองใช่ไหม เพราะนั้นการที่เราสามารถรู้นะว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังมีอาการอะไรเกิดขึ้นในกายเรานะเมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเรารู้สึกตัวเกิดขึ้นมานะแ <c oughs> ม้กระทัการที่เรายกมือสรั่นหัวนี่แหละถ้าเรารู้ว่าขณะนี้กําล ang, ังเคลื่อนมือนะรู้การเคลื่อนการหยุดของมือนะเป็นการอยู่ปัจจุบันเท่านั้นเองนะอันนี้คือความรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วก็ปัจจุบันนี้มันไม่ต้องอาศัยความคิดแต่อย่างใด นะเช่นขนาดนี้เรากําลังนั่งเราก็ไม่ต้องออคิดว่าเรากําลังนั่งใช่ไหมนะหรือเรายกมือก็ไม่ต้องคิดว่าขนาดนี้กำลังยกมือเพราะว่า น, นี่คือความจริงนะคือความจริงความจริงก็คือปัจจุบันขนาดนี้แหละนะเรารู้ความจริงไปเท่านั้นเองนะรู้ความจริงในปัจจุบันนี้เราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะเพราะความจริงมันไม่ได้ไปอาศัยการคิดแต่มันอาศัยการรู้นะแต่ถ้าเราคิดว่าเมืเ่อ เ, เช้านี้เราทานข้าวกับอะไรนะหรือพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้จะกินข้าวกับอะไร พุ่งนี้จะทําอะไรนี่เราต้องใส่ความคิดนะคิดไปนาดีตคิดไปนาคตนี่ต้องเป็นความคิดนะเพราะฉนั้นรู้เนี่ยมันแม่ต้องอาศัยความคิดมันเป็นแค่รู้สึกในปัจจุบันเท่านั้นเองนะเป็นแค่ความรู้สึกนะแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดนะถึงเรารู้เขาก็คิดได้แต่เมื่อคิดแล้วเราก็รู้ว่าเออขณะนี้กำลังคิดนี่มันก็จบแล้วนะเนี่ยเป็นการที่เรารู้ความคิดไปใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเข้ามาในต่อมานะใน เวทนาเวทนาเวทนานี่เราจะรู้ว่าเออเวทนามันก็คือความกายและใจเนี่ยมีความสุขเรียกว่าสุขเวทนามีความทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาหรือมีความเฉยเฉยเรียกว่าทุกขมสุขนะมันเป็นความปรากฏขึ้นทางกายและใจเราก็รู้ความจริงไปเช่นนั้นนะขณะนี้เรามีความปวดเมื่อยนี่แหละก็คือทุกเวทนาอย่างหนึ่งนะหรือขณะนี้เรากำลังมีความยินดีมีความพอใจเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสุขเวทนาอย่างหนึ่ง ก็ใ <One> ห <input> ้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ไม่มันให้เห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่อาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จากไปบังคับบัญชาไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ให้เห็นตามความจริงนะเพราะเวทนาเขาก็ไม่ได้ตั้งอยู่จริงๆหรอกเขามาสักพักหนึ่งเขาก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราทุกข์นั่นแหละเราเปลี่ยนบทนี่แหละเป็นการชื่อว่าเราแก้เวทนานะคือแก้ทุกข์นั่นเอง นะเพราะทุกข์เขาไม่ได้มีตัวตนจริงๆเขามาแล้วก็ไปพอเราแก้ปุ๊บเขาก็หายไปเลยเนาะเขาจึงไม่มีตัวไม่มีตนนะต่อมาก็เป็นเรื่องจิตนะจิตนี่พระเจ้าบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหนะเนาะหรือว่าจิตมีอาการอย่างใดก็ให้รู้ตามอาการเช่นนั้นนะนะ เพราะนั้นการที่เรามากลับมารู้นะขณะนีนะ้เรามีความไม่พอใจโอ้ไม่ไม่พอใจพระเทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่พอใจเกิดขึ้นมารู้ว่าตอนนี้เราไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้ปฏิบัติธรรมจบแล้วน ะ, นะหรือว่าโอ้เทศดีจังเลยมีความพอใจเกิดขึ้นมาในใจรู้ว่าขณะนี้กำลังมีความพอใจเกิดขึ้นมาในใจนี่ปฏิบัติธรรมจบแล้วเนาะ หรือรู้สึกตอนนี้อากาศร้อนจังเลยไม่ชอบนะรู้สึกน่าเบื่อนะรู้ว่าเออความไม่ชอบใจเกิดมาในใจนะนี่ปฏิบัติรมจบแล้วใช่ไหอ่าหรือเราอย่างขับรถยนต์ไปเจอไฟแดงนะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจรู้ว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจนี่ปฏบัติรมจบแล้วนะอ่ามีไฟเขียวเกิดขึ้นมารู้สึกมีความพอใจดีใจนะรู้ว่าความดีใจเกิดขึ้นในใจเรานี่ปบัติรรมจบแล้ว ขับไปขับมาเจอเพื่อนนะเพื่อนเขาก็เออพอเราเห็นเพื่อนในเพื่อนเขาบายบายให้เราเราก็ดีใจโอนะ้เจอเพื่อนดีใจนะเห็นความดีใจเกิดขึ้นในใจเราปฏิบัติธรรมจบแล้วขับไปขับมาอา้าวยางแบนเสแล้วเนี่ยไปดูอา้าวยางแบรนไปแล้วนะ เ, เกิดความาไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจปปรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจปฏิบัติธรรมจบแล้วอมองไปนี่มองไปข้างๆถนนมีร้านปะยางอยู่ตรงนี้เองนะ มีความดีใจขึ้นมารู้ว่ามีความดีใจเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นในใจเรานะนี่ปฏะะิบัติธรรมจบแล้วนะเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เองนะัมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะเพราะว่าราคะมีราคะก็รู้ว่ามีราคะนะปฏิบัติธรรมจบแล้วมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะก็คือไม่พอใจราคะคือความพอใจนะความพอใจนะรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นนั่นแหละรู้ว่าขณะนี้นะมีความพอใจเกิดขึ้นนี่ปฏิบัติธรรมจบแล้วนะ มีความโกรธมีความขัดเคืองมีความอิจฉาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนี้มีความอิจฉาเกิดขึ้นมีความขัดเคืองในใจเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ <c oughs> จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะนี่ปฏิปธรรมจบแล้วนะมันปฏิปธรรมเนี่ยจบในแต่ละขณะแต่ละหะง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะมันเป็นช่วงเรียกว่าปัจจุบันสั้นๆเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปรู้ยาวรู้ว่าขณะนี้มีอะไรเกิดมาในใจนี่จบแล้วนะ เพราะฉนั้น mm hmm. เมื่อเรารู้ว่ามีความโกรธขึ้นมาในใจเราจะทําอย่างไรต่อนะ<ทำ>พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามีราคะให้ทําให้หมดราคะมีโทสะ <cents> ทําให้หมดโทสะ ม, มีโมหะทําให้หมดโทสะไม่ได้บอกแบบนั้นนะให้รู้ว่าเออขนาดนี้มีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้มีโทสะเพราะฉนั้นเมื่อเรารู้ว่ า, ามีความโกรธมาในใจเราก็รู้ Rica, ike, เฉยๆเท่า น, นั้นเองนะให้รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปจัดการเขานะไม่ต้องบอกว่าเออตอนนี้เรามีโทสะ ต้องจัดการกับโทสายหมดไปนะอันนี้เราไม่ได้รู้เฉยเฉยอันนี้เป็นการแทรกแซงสภาวธรรมเป็นการที่เราไปจัดการกับเขาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะแล้วเราถ้าเราทําเช่นนั้นนะเออมีความโกรธแล้ว เ, เราไปจัดการเขาได้เนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเขาเกิดดับด้วยตัวเขาเองนะแต่จะเห็นว่าเขาดับไปเพราะฝีมือเรานะเมื่อมีฝีมือเราก็จะมีตัวเราเกิดขึ้นนะมีตัวเราบังคับบัญชาเขาได้นะอัตราตัวตวเราจะโตขึ้นนะ แต่ถ้าเราเราใจเย็นๆนะเราคอยดูโทสะเออเขาจริงๆแล้วโทสะเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาต้องดับแน่นอนนะต้องดับแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะดับเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะอ่าถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยอ่าต่อมาเขาจะดับให้เราเห็นนะเห็นความเกิดและความดับของโทสะนี่แหละเท่มานี้ก็คือเราจะเกิดปัญญาขึ้นนะรู้ว่าอ่าโทสะนี้นะไม่ใช่ตัวเมยตนบังคับบัญชาไม่ได้เท่ามาเขาก็เกิดแล้วก็ดับเองเขามาแล้วก็ไปของเขาเองนะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรา ถ้าเป็นตัวเป็นตนเราก็รังอยู่เราไปตลอดกาลนานใช่ไหมแต่เราก็เห็นเลยว่าเขาเกิดแล้วก็ก็ดับเองไม่ใช่ฝีมือเราไปทําให้เขาดับนะเราก็ไม่ใช่ฝีมือเราทําให้เขาเกิดด้วยแต่เขาก็มาตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นการที่เรารู้เรียกว่าเรารู้ไปตามความเป็นจริงการที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะก็คือการที่เราเห็นธรรมะเป็นไปตามที่เขาเป็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นแหละคือสมถะ สมร t h ก็คือเราไปจัดการเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไปคอยควบคุมเขาไปกดดันเขาให้เป็นปตามที่เราต้องการนะนี่เขาเรียกว่าเป็นสมรถ อ, อย่างเช่นไม่ดีทำให้เขาดีนี่แหละใช่เขาไม่ดีทำให้เขาดีน ะ, ะเขามีโทสะทำให้เขาหมดโทสะต่างๆเราเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าเป็นสมรถเพราะเราไปจัดการเขาให้เขาดีตามเราต้องการจิตไม่สงบก็ทำให้เขาสงบเนีนี่ก็เป็นการเรียกว่าเราแทรกแซงเขานะ เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงตามนี้เขาเป็นนะเราจะไม่เห็นสภาวะที่เขาเกิดดับตามความเปนะ็นจริงเมื่อเราไม่เห็นแล้วเราก็จะไม่ไมเกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเพราะเราคิดว่าเราบังคับบัญชาเขาได้ใช่ไหมนะตรงนี้มันจะไม่เกิดการปล่อยการคลายความยึดมั่นถือมั่นการว่าเราตัวเราเก่งนะเราบังคับบัญชาเขาได้ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นในสภาวะความเปนะ็นจะริงนะครั้งนี้ก็มีคนเคยถามว่าเราจะจัดการกับโทสะยังไงนะ ก็บอกว่าโทรศัพท์มันนานเกิดทีนัเราจัดการมันยากนะมันไม่รู้จะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะอย่างนี้แล้วกันเราดูความคิดแล้วกันเนาะความคิดนี่แหละคือความคิดมี2อย่างนะคือความตั้งใจคิดกับความไม่ตั้งใจคิดนะความตั้งใจคิดก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเขคิดให้จบจบไปส่วนความไม่ตั้งใจคิดหรือว่าเขาลักคิดเขาคิดเองเนี่ยเราต้องมาสังเกตเขาพวกนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆนะเห็นบ่อยกว่าโทรศัใช่ไหมวันๆเหนที่เราเดินจงกรมเนี่ย หรือเรานั่งเฉยๆเนี่ยมันคิด5้านาทนีคิดไปเป็น10บๆเรื่องก็มีเนา ะ, ะนี่แหละตรงนี้เรามาสังเกตเขาได้ไหม เ, เราเดินยงกลมก็ได้หรือสร้างจังหวะก็ได้นะ เ, เราสังเกตว่าเขามีความคิดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันไหมเนี่ยรู้ทันบ่อยๆน ะ, นะตรงนี้เพราะนักลงวัฒน์เทียนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะ เ, เราจะเห็นความคิดในตรงนี้ได้เห็นความคิดว่าเออเขามาแล้วก็ไปนะเขาเกิดเขาเองตรงนี้นะเราจะเห็นความคิดว่าตามความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้นเองนะ เราเห็นเออความคิดเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปความคิดมาแล้วก็ไปนะตอนนี้พวกเราบางคนก็เริ่มจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมเออเข้ามาแล้วก็ไปไม่ใช่เป็นว่าเราเราเรายังไม่รู้ว่าเราบังคับก็ไม่ได้หรอกเรื่องความคิดนะเพราะฉะนั้นความคิดนี้บังคับไม่ได้จริงๆเรายังไม่รู้ว่าในนาทีข้างหน้าจะคิดอะไรเลยใช่ไหมมันบังคับก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดเองแน่นอนนะเพราะยังไม่รู้ว่านาทีข้างหน้าจะคิดอะไรเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นความจริงบ่อยๆเออความคิดเข้ามาแล้วก็ไปนะ ความคิดเข้ามาแล้วก็ไปเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดแล้วก็ดับเราจะเห็นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนี่ยเพราะเราเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตก็จะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มปล่อยเริ่มวางอาการยึดติดในขันห้านี้นะว่าโดยโย่อประธานขันทั้ง5้าเนี่ยคือตัวทุกนะพอเราปล่อยขันทั้ง5้ามันก็จะเป็นการคลายทุกได้เองใช่ไหมแต่ถ้าเราไปไม่เห็นตรงนี้นะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไปจัดการเออเขาเรียกว่าจิตไม่สงบทําให้เขาสงบนะนะั่นแหะจิตเขาไม่ดีทําให้เขาดีเนะี่ยไปคอยจัดการเขา ไคบังคับบัญชาเขาเราก็จะไม่เห็นเขาเกิดดับโดยตัวเาเองนะแต่การว่าเราเนี่ยเป็นคนจัดการเขาได้นะตรงเนี้ยเราจะเกิดตัวตนขึ้นมานะเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจความคิดนะเห็นความคิดได้ต่อไปเราก็จะไปเข้าใจความโกรธนะเข้าใจความรักความชังความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายได้โดยตัวเราเองนะว่าเขาเกิดของเขาเองเขาเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยนะเป็นเช่นนั้นเองเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอก เขาเกิดตามเหตุตามบัจใจเขาเท่านั้นเองนะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะเป็นการเข้าใจในสภาวธรรมในเรื่องกายเรื่องใจว่าว่ามันเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้ตรงการตามที่ผู้เจ้าบอกนะไม่ได้พูดเองนะเน ใ, น ใ, นในพระไตรปิฎกดูได้นะผู้เจ้าให้เราเห็นกายเวลาจิตธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเม่นตมนบังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสภาวะวาความเกิดดับของสภาวธรรมบ่อยๆนี่แหละ อันนี้เขาเรียกว่าเราเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการให้เห็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นให้เห็นธาตุสเห็นขัน5้าเห็นนิวรณ์หเห็นอายตนะหเห็นโพชฌงเจ็นี่แหละมีความเกิดความดับในตรงนี้นะเห็นความเกิดความดับของธรรมะเหล่านี้ซึ่งเกิดในทางกายและใจแล้วเราจะเห็นว่าเออเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ นะเพรา ะ, ะนั้นเมื่อบงังคับบัญชาเขาไม่ได้ <_ t ot> เขาจึงไม่ให้ตัวไมตตนของเราจิตของเราก็จะปล่อยก็วางเนาะแต่ถ้าเราไปบงังคับบัญชาเขาได้นะเขาก็จะกลายเป็นตัวเป็นตนของเราจิตก็จะไม่เกิดการปล่อยการวางเกิดขึ้นเนาะเพรา ะ, ะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมตรงนี้เราก็จะเข้ามาเห็นความจริงในสภาพธรรมที่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเขาแต่อย่างใดนะเราก็จะเห็นความจริงเหานี้บ่อยบนอยบางทีเราไปบัตมา3าสี่วันแล้วก็จะเห็นไม่ว่ามันก็ บางบางบางบางวันนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยจะไปบัดแล้วรู้สึกมีสติบ่อยๆมีความรู้สึกตัวบ่อยๆมีสติมีทั้งวันนะแต่วันนี้ทําไมมันไม่เหมือนเมื่อวานนะวันนี้มันไม่ค่อยมีสติเลยนะวันนี้สติหายไปไหนนะความรู้สึกตัวหายไปไหนเนาะเนี่ยแต่ถ้าไปติดใจเมื่อวานนี้เราดีนะเมื่อวานเราดีวันนี้ต้องดีเหมือนเมื่อวานนะนี่เราจะเริ่มทุกข์แล้วนะเพราะเราไม่ยอมรับความจริง นะพะเราไม่เหมือนเมื่อวานเราจะทุกเอ้วันนี้มันไม่ดีเหมือนเมื่อวานนะเราจะทุกเลยมันหายไปไหนนะมันเสื่อมไปแล้วนะมันทําไมถึงไม่ดีเหมือนเมื่อวานมันทําไมไม่ดีถาวรเราจะมีความทุกข์นะตรงนี้เราเราไม่ได้เกิดเป็นยานะแต่เรากลายเป็นความหลงไปความหลงใน อ, อยากจะดีนะความหลงในตัณหากลายไม่กินเลาไปนะโดยเราไม่รู้ตัวแต่เรากลับมาเห็นความจริงเอ้วันนี้ไม่ดีนะเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนี่แหละเขาแสดงพระไตรลักษให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เนอะ เมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เนี่ยเขาจึงมีความไม่เที่ยงเราเห็นเนาะเนี่ยตรงนี้เราจ ะ, ะเกิดปัญญาในการเห็นความจริงว่าเออเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เที่ยงนะตรงนี้เท่านั้นเองนะเมื่อไม่เที่ยงเนะี่ยเราเข้าใจแล้วว่าเราบังคับเขไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนะหรือเราเร า, เรานั่งมาหนึ่งชั่วโมงมันปวดเมื่อยจังเลยนะปวดเมื่อยจังเลยนี่แหละคือความทุกข์น ะ, ะความทุกข์เราทนในสภาวะเดิมไม่ได้ใช่ไหมเราก็สังเกตเออ ตรงนี้นะก่อนจะเปลี่ยนบทเราก็ดูนิดนึงว่าเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่นื่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะเราก็จะไม่เห็นปัญญาในตรงนี้ว่ามันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าก่อนจะเปลี่ยนบทให้เราเห็นนิดนึงให้เรารู้สึกตัวนิดนึงก็คือให้รู้รู้สึกนิดนึงว่าขณะนี้อ่านี่แหละคือความทุกข์นะแล้วเราเปลี่ยนเพื่อจะแก้ทุกข์นะเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราบังอ่าเราอ่าต้องแก้ทุกข์เพราะว่าเราทนในภาวะเดิมไม่ได้ ที่เราทนในภาวะเดินไม่ได้ก็เพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเขาจึง <_ d: S 1> ทนในภาวะเดินไม่ได้เนี่ยมันจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเนะนี่ยมันมันจะได้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะคราวนี้เวลาเราเดินยงกลมเราก็จะจะสังเกตเออมันก็เป็นกายเดินนะไม่ใช่เรานะมันก็จะค่อยๆสังเกตมองเห็นอ่จากการที่มื่ก่อนเป็นตัวเราเดินนะเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะมันเป็นกายมันเดินนะเป็นกายมันเดินนะมันไม่ใช่เราหรอก เพราะมันจะเป็นแค่กายเท่านั้นเองนะมันไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจในตรงนี้มากขึ้นนะหรือมันยกมือสร้างวะก็ค่อยเห็นว่ามันก็เป็นแค่อาการวูบไหวอย่างหนึ่งนะเป็นกายที่มันวูบไหวเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจนะความคิดก็เหมือนกันนะมันก็เป็นความคิดเราเดินนี่กายมันเดินมันคิดแวบเออกลับไปรู้ความคิดเออกายมันก็เดินใจก็คิดเนี่ยก็เห็นรูปเห็นนามนะที่มันทํางานของเขาเองนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมกายมันก็เดินเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่มันก็เดินเขาเอง ใจมันก็คิดเขาเองเนี่ยมันเราก็เริ่มเห็นรูปแห็นนามที่เขาทํางานของเขาเองแล้ว น, น, นี่มันจะได้เข้าสู่ความจริงที่ว่าพระเจา้าได้บอกเราแล้วว่ า, วารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆน ะ, อ, ะอย่างที่ในมีในอนัตต์ลักษณะสูตรเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนนะบอกว่านะดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือรูปนี่คือกายนะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือใจนะเวทนาก็คือความสุขความทุกข์สัญญาคือความจําได้ไม่รู้นะสังขารคือความปรุงแต่งต่างๆความคิดต่างๆนะวิญญาณคือการรับรู้ทางอริยนิทั้ง6กนะก็คือกายและใจเนี่ยนี่นะพระพุทธเจ้าถามว่าดูความพิสูจทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรเลยจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดฉะนั้นพระเจ้าข้าหลังจากนั้นก็ทรงแยกแยะว่าลูกเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตตาอย่างไรนะหลังจากที่ทรงแสดงทำตรงนี้จบแล้วปรากฏว่าปัญญวคีนะก็บรลุเป็นพระรหันท์ทั้งหมดนะท่านบรรลุทั้งหมดเลยเป็นพระรหันต์เนาะเนี่ยตรงนี้เป็นหลักธรรมสําคัญนะ คือการแบบทําทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้กลับมาเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองนะว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาอย่างไรนะตรงนี้จิตมันก็จะค่อยๆปล่อยจากความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเรานี่แหละนะเพราตรงนี้เราเราสามารถสังเกตได้ไหมนะว่าในเมื่อกายและใจไม่ใช่ของเราแล้วนะส่วนกายเราจะเริ่มเห็นแล้วลนะ่ะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนาะหลายๆอย่างใช่ไหมเราจะเห็นไหมนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่เราหนีไม่พ้นนะนะนะเราจะบอกบอกว่ายาแก่ยาเจ็บยาตายไม่ได้ใช่ไหมนะ ส่วนอย่างอื่นเขาทํางานเขาเองหมดแล้วนะผมหงอกเขาก็ทํางานเองนะไม่มีใครไปบังคับไห้ผมหงอกหรอกใช่ไหมตาฟางเขาก็เป็นของเขาเองหูตึงก็เป็นของเขาเองใช่ไหมผิวย่อนหนังย่อนก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นของเขาเองนะเราบังคับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาแก่เขาเองใช่ไหมอาไว้ว่าทุกวันอย่างในร่างกายเราทํางานเองหมดใช่ไหมหายใจนะเราไม่ได้บอกให้เขาหายใจเขาก็หายใจเองนะหัวใจไม่ได้บอกเขาเต้นเขาก็เต้นเขาเองนะสูบฉีดโลหิตไม่ได้บอกเขาสูบฉีดเองหมดใช่ไหม กระเพาะอาหารนะอาหารลงไปเขาก็ย่อยอย่างเขาเองนะระบบลำไส้ระบบขับถ่ายเขาทางานเองหมดใช่ไหมไม่ได้ไปสั่งเขาทางานเองหมดเลยใช่ไหมพูดง่ายๆว่าคื อ, อวัยว่าภายในเราทั้งหมดนี่ทํางานเองหมดนะเราไม่ได้ไปสั่งอย่างใดนะแล้วถ้าเกิดเขาเสื่อมก็เสียไปแล้วเราจะบังคับให้เขาดีก็ไม่ได้ด้วยนะเขาเสียเขก็คือเขาเสียเขาเองนะตรงนี้เราจะบังคับให้เขาดีก็ไม่ได้นะเนี่ยมันภายในทํางานเองหมดเลยนะอันนี้แสดงให้เห็นว่า อ่าร่างกายนี่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนาะเนี่ยเขาจะทํางานเขาเองทั้งหมดใช่ไหมอ่าจะให้เขาหยุดทํางานก็ไม่ได้ใช่ไหมส่วนบางที่เราคิดว่าเราเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันมันหลอกเราเพราะในนีนน้ว่าเป็นตัวโตวเราจริงจริ ง, รงแล้วมันหลอกเราเราระเบิดติดว่า เ, ออเราบังคับเขาได้นะให้เขเดินเขายืนให้เขานั่งเขานอนเนี่ยแต่ดูความจริงในจริงเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองนะส่วนจิตใจนี่นะบางที เรารู้แล้วว่ากายไม่งเรานะไปโดนเผาเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปโอ้ทรมานแย่ใช่ไหมแต่เราจะนึกว่าใจของเรานะแต่จริงๆพระเจ้าก็บอกว่าใจก็ไม่ของเราอีกนะเพราะรูปบิด า, าสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายและใจไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอันนี้ก็ต้องเห็นความจริงตรงนี้ให้ได้นะมันวันไม่ใช่งเราใช่ไหมก็เห็นความจริงอย่างไรนะให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเข้าไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมเช่นให้เขาหยุดคิดตั้ง5นาทีได้ไหมก็ยังไม่ได้เลยนะความคิดเนี่ยเราบังคับเข้าไม่ได้ เพ อ, อย่างที่ว่าเออยั ง, ยงไม่รู้เลยว่าน้าที่ของนาจะคิดอะไรใช่ไหมเนี่ยเราบังคับบัญชากันไม่ได้แน่นอนน <c oughs> ัก็คิดทั้งวันนั่นแหละมีคนประเมินว่าคิดวันละถึง5 0,000 ่นครั้งเนาะเนี่ยเราเรารู้เราที่มันตั้งใจคิดเนี่ยมันถึงร้อยครั้งไหมใช่ไหมมันไม่ได้ถึงร้อยครั้งหลักแสดงว่ามันมันทำงานเองจริงๆเลยนะอ่า <c oughs> แล้วก็ความโกรธความรักความชังเหมือนกันนะ <c oughs> ในในเมื่ออากายไม่ยังเราแล้วนะสิ่งที่เกิดไอ้ไม่ใช่ในเมื่อจิตไม่ยังเราแล้ว สินี้ก็จะจิตก็จึงไม่ใช่ของเราด้วยใช่ไหมเช่นความโกรธนะความโกรธมาก่อนเราคิดเราโกรธนะเราต้องไปจัดการกับความโกรธใช่ไหมโกรธปุ๊บเราก็รู้สึกไม่สบายใจทําไมเราโกรธนะปฏิบัติธรรมมาต้องนานยังโกรธอีกใช่ไหมบางคนเคยมาถามว่าทำไมปฏิบัติธรรมมาต้องนานแล้วนะรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยถามว่าทําไมเป็นเช่นนั้นก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามีความโกรธมีความหลงอยู่ทั้งๆปฏิบัติธรรมนัต้องนานแล้วใช่ไหมอันเนี้ย ถ้าเขาเป็นแบบนี้นะเขาจะก็ต้องมีความทุกข์ตลอดไปนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเขาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออไอความโกรธนะก็คือมันไม่ใช่เรานะอ่าเพราะใจไม่เราแล้วเพราะนั้นความโกรธจึงไม่ใช่เราด้วยนะแต่เขาเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราไม่ไปให้ค่าก็ จ, จบนะเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นต้นนะก็ไม่ใช่เรานะมันก็เป็นเขาเช่นนะั้นเองนะ ม, นะมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกใช่ไหมก็ามาแล้วก็ไปนะแต่ถ้าไปยึดเป็นของเราปุ๊บเราจะทุกข์ทันทีนะต้องจัดการอย่างไรให้เราหมดความโกรธ นะจัดการอย่างไรให้หมดความหลงนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะไม่ของเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราความโกรธก็เป็นเรื่องของเรื่องของจิตใจไม่เรื่องเรานะจิตใจไมงเรามันก็เป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นของอีกคนนึงนะไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะวางได้เร็วเร็วมากนะมันจะวางไปเองนะอย่างที่หลวงปู่ดูนั่นแหละมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าเออมีใครละความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่ว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมีแต่ลู่ทันแล้วก็ดับไป ถามว่าหลวงปู่มีความโกมมรธไหมหลวงปู่ว่ามีแต่ไม่เอานะมีก็คือมันมีนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของเขาเองเป็นเช่นนั้นเองนะเมือ่อเมื่อเป็นของเขาเองมันก็คือเราก็ไม่เอาแต่ถ้ามันเป็นความโกรธเราเราก็จะไปเอานะไปคอยจัดการเออทำไงให้ความโกรธหมดไปนะพอสง่าใคร ม, มาดาแล้วนะะถ้าเรารู้เฉยนะเราจะไม่โกรธหรอกนะรู้เฉยนี่เราไม่โกรธนะด่าแรงขนาดนะัรู้เฉยเราก็ไม่โกรธแต่ถ้าเราเริ่มคิดแล้วเออมาด่าเรานะ ด่าเราไปทำไมด่าได้ยังไงเราไม่ทําผิดสนอยด่าได้งไงไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครน ะ, ะถ้ามีความคิดตรงนี้ปุ๊บนะความโกรธจะเกิดขึ้นมาทันทีนะเราก็จะรุนแรงไปเรื่อยๆนะีสังเกตไหมว่ามีเราอยู่นะนแหละนะตรงเนี้ยเราเรายังไม่ทันกิเลสนะเนะพราะงกิเลสมันก็จะหลอกเราในตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเราไปบัตรทำไปนานๆนะไปทำไปนานๆนะหลายๆสิบปีก็แล้วแต่นะนะถ้ายังตรงนี้ยังยังไม่เสด็จน้ำนะคือยังสามารถไม่สรุป ยังสรุปไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ตัวไม่ตรงเราเราก็ยังออกจากความทุกขในการที่ว่าเราโกรธไม่ได้น ะ, ะยังออกจากความทุกไม่ได้เลยนะเพราะมันยังสรุปไม่ได้ก็มีการวนเวียนอยู่เนี่แหละว่าเป็นเราของเราโกรธ เ, เขาว่าเราเราโกรธเราเราักเราช่างเราหลงเราเกลียดนะ ม, มีตัวเราอยู่ตลอดนะตรงนี้มันจะเป็นการวนวนในความเป็นตัวนตวนนะปฏิบัตินานๆก็ยังวนในตัวตนอยู่นะแต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วว่ากายและใจไม่ใช่เรา แม้เราจะปฏิบัติไม่ปฏิบัตได้ไม่นานแต่จิตมันจะค่อยๆเข้าใจในตรงนี้มากเรื่อยๆแล้วจิตจะวางได้เองนะเพราะฉะนั้นเมื่อวางแล้วนะความมันตัวตนจะลดลงเพราะฉะนั้นอาการของเราก็จะลดลงไปด้วยนะในส่วนมันก็ไม่ยังเรามันก็จะห่างไปเลยมันจะแยกไปต่างหากนะมันมีก็มีส่วนของมันไม่ยังเรามันจะวางไปอย่างรวดเร็ววางในการที่เราไม่ไปยึดไม่ติดเนาะเพราะฉะนั้นเราไปฏิบัติทําไม่ได้เป็นการละตัวตนไม่ได้เป็นการละกิเลส แต่เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี่แหล ว, ว่าเป็นของเรานะเป็นแค่การถอดถอนความเข้าใจผิดในการเป็นตัวตนนี้เท่านั้นเองเพาราะมันไม่ใช่แบงเร า, าตั้งแต่ต้นแล้วเนะพราะเมื่อกายลใจไม่ใช่เราเราจึงไม่ต้องไปละอะไรกินเลยก็ไม่ต้องไปละเพราะมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะตรงเนี้มันจึ ง, งกลายเป็นว่าเออมันกระทำมันก็ง่ายขึ้นนะมันก็ในสังโยชิสิบนะสังโยติสิบนี่แหละสังโยชนสิบก็คือผู้ใดทีนะ่ละสังโยชนสิบได้ก็เป็นจะเป็นพระอรหันต์นะ หลักสังโยชน์หได้ก็จะเป็นพระนาคามียลักสังโยชน์สได้ก็จะเป็นพระโสดาบันและพระสกิทาคามีนะสังโยชน์ตัวแรกคืออะไรนะคือสักรรยติฐินั่นเองนะสักรรยติธิก็คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นนี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านด่านแรกไปได้แล้วนะอ่ามันต้องผ่านด่านแรกก่อนนะมันจึงจะละตัวอื่นได้ถ้าได้ผ่านด่านแรกว่าเออมันไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยกิเลสตัวอื่นมันละได้หมดเลยนะมัน กิเลสตัวอื่นนัมันเหมือนกับเป็นโดมิโน่นะพอละตัวแรกได้ตัวอื่นมันจะล้มไปด้วยนะก็คือตัวแรกนี่เราเป็นหัวหน้าหัวหน้าของกิเลสทั้งหมดนะถ้าเราสามารถที่จะจัดการหัวหน้าได้นะตัวอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็จะพลอยโดนจัดการไปด้วยนะแต่ถ้าเราจัดการกับหัวหน้าไม่ได้นะสกายิทธิยังอยู่นะไปคอยละความโลภความโกรธความหลงละไม่ได้หรอกนะเพราะนั่นคือลูกน้องนะหัวหน้าไม่ตายลูกน้องก็อยู่หมดใช่ไหม เพราะนั้เมื่อยังมีตัวเราอยู่นี่เราจะเป็นละกินเละจริงๆเนี่ยละไม่ได้เลยความโลภความโกรธความหลงไม่อยู่หมดแต่เรากลับม่เข้าใจความเป็นจริงนี่แหละให้เห็นบ่อยๆในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บณาตาไม่ตัวไม่ตัวบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละจิตจะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเองนะแล้วเมื่อนั้นกินเละต่างๆก็จะพลอยที่เรียกว่าไม่เชิงเราไปด้วยนะเขามีก็มีไปแต่ก็มันไม่เชิงเรานะแล้วในสุดก็จะกลายเป็ว่าเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราไปเองนะนี่แหละคือการสิ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เนาะ เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้นะก็ให้เราเข้าใจทางความเป็นจริงเช่นนี้การบัตรธรรมของเราก็ยังง่ายขึ้นแล้วก็หนทางก็จะรัดสั้นลงนะเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตันตรายมาน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความคุ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ